เรื่องจีวรเกิดขึ้นมากในกรุงราชครื้คนทั้งหลายในกรุงราชครืทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าบดีจีวรแก่ภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายเหล่านั้นต่างรื่นเริงบันเทิงใจว่าบัดนี้พวกเราจะถวายทานจะบำเพ็ญบุญเพราะพระผู้มีพระภาค ทรงอนุญาตขหบดีจีวรแก่ภิกษุทั้งหลายชั่วเพียงวันเดียวจีวรหลายพันผืนได้เกิดขึ้นในกรุงราชคฤื้ชาวชนบททราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตขหบดีจีวรแก่ภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายเหล่านั้นต่างรื่นเริงบันเทิงใจว่าบัดนี้พวกเราจะถวายทานจะบำเพ็ญบุญ เพราะพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตขะหะบดีจีวรแก่ภิกษุทั้งหลายชั่วเพียงวันเดียวจีวรหลายพันผืนได้เกิดขึ้นในชนบท